นะังเตามกันนะ mm hmm. เนาะเพื่อเป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติก็ mm hmm. อยู่ในภาคปฏิบัติลงสน้ำของการฝึกตัวเองสอนตัวเองข mm hmm. อว่าเป็นเี่นเป็นเพื่อน ผู้ที่กำลังปฏิบัติทรรมเพื่อให้นำไปปฏิบัติตามช่างบอกช่างสอนนั้นเราได้เรียนมาเล่าเรียนบาจากวิชาการหลัต่างเอาคำสอนของครูอาจารย์มาทำ สิ่งที่ทำก็มีเป็นรูปประธรมก็มีนามธรรมาก็มีแต่เป็นการพูดออกมาเป็นรูปประธรรมทำแล้วมันก็ถูกต้องรูปประธรรมก็ถูกต้องนามธรรมก็ถูกต้องความคิดเห็นถูกต้องการพูดจาปราสัยถูกต้องเพราะเสียงพูดของครูอาจารย์ ทำบไปต้องมีครูจิ์ที่มีครูอาจารย์เราอยากมีความรู้อย่าหลบรู้ครูอาจารย์โบราท่านสอนเช่นคําสอนของพ่อของแม่เรายังจําได้สอนให้ทํามาหาชินสอนให้รักกันระหว่างพี่น้องสอนให้ช่วยเหลือกัน บางทีก็โกรกันพแม่ก็สอนให้โกรธกันดีน้องกันก็อดทนบางทีความโกรธก็หายไปไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนครูสอนอ่านหนังสือทำอนัองสือวิชาการาต่างๆคณิตศาสตร์ภาษาไทยความสอนของครูอามาเป็นการกแสดงออกทาง ทั้งว่าจะทั้ง จ, จิตใจเขียนเลขเขียนตัวหนังสือเขียนคณิตศาสตร์ามาบว ก, วากมาลบมาคูณมาหารมันก็ทำถูกต้องจากคำพูดของครูอาจารย์ปฏิบัติตามคำพูดก็ใช่ได้มาทุกวันนี้ าปฏิบพวกเรามาปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันลงสนามเข้าค่ายฝึกตัวเองการฝึกตัวเองก็ต้องมีการกระทําเกิดขึ้นลงพื้นที่เอากายเป็นพื้นที่เอาใจเป็นพื้นที่ มีติเป็นผู้หลงพื้นที่นั้นก็จะดูแลกายใจอาจจะนี้อาจจะถูกปิดบังหลงทิศหลงทางมามากโดยเพราะภาพปฏิบัติเพราะมันเป็นดงเป็นป่า <c oughs> ป่าเนคืออวิชชาไม่รู้เรื่อง กาเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามมันเป็นอะไรคืออะไรเรืียงแต่รูปสมมุติบัญญัติที่เคยกินกับสมบุติบัญญัติสมมุติบัญญัติมาเป็นคําพูดมาเป็นความคิดควาเป็นการกระทําติดเลยในโลกปี้เต็มไปด้วยสมมุติบัญญัติเหมืนกับปิดบังปรามาัตาจัจะ สนความโกรธเป็นสมุติบัญญัติมาก็ปิดบังเพรไม่โกรธความทุกข์เป็นสมมติบัญญัติก็ปิดบังพรไม่มทุกข์มเมตตาคุณาเป็นประมาทศัจฉาแต่สมมติบัญญัติป้าชอบปังชอบคนนั้นเราชอบคนนี้เราไม่ชอบเมตตาคุณาเลยไม่เห็นเพรถูกสมมติบัญญัติปิดบังเอาไว้ส่วนมากก็ทําตามสมมติบัญญัติ ก็ทําให้เดือดร้อนตัวเองและคนอื่นเสียหายสิ่งอื่นวัตถุอื่นผิดพลาดไม่น่าจะผิดพลาดเพราะสมมุติปัญญัติเฉยๆก็ไปผิดพลาดตามทุบันหยดเอาจริงถ้ากลัวจะโกรธโกรต้องมายอมต้องที่เด็กความโกรธเป็นทุติบัญญัติมันก็ไปเใช่ตัวไม่ใช่ตนสังขารก็เป็น ความดือ้อซุกสนก็ยังไปทำตามมันสิ่งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งจิ้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ยังไปทำตามสังขารปุ่มไปมาเป็นการการะทำปุ่ไปไม่เป็นความคิดปุ่งไปมาเป็นการพูดว่า ตัวว่าตนเอาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตน ว, ว่าเป็นตัวเป็นตนสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทานามทาทั้งหมดทั้งชิ้นนี้มันไม่เที่ยงงานเป็นทุกข์ตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปก็ยังมาเป็นเรื่องทุกข์ประกาไม่เที่ยง เอากองมาเที่ยงมาเป็นทุกโง่เนี่ยเป็นสมุปัญญิเป็นดงเป็นป่าเราจึงมาถาง <c oughs> ลบขนาดไหนก็ถางใจประสงสางกลางดงก็ว่าทุ่งเอาปานนั่นยากตรงไหนใส่ใจตรงนั้นผิดตรงไหนแก้ไขตรงนั้นมีปัญหาตรงไหนมีปัญญาที่นั่น ทุกที่ใดควบไว้ทุกต้องอยู่ที่เนื่องมองตรงกันข้ามอย่าให้มันบงังแหวกความลักความชังกักขังเราไว้อยู่กระโดดไปเลยมีสติเป็นเครื่องมือรู้จึกตัวรู้จึกตัวเตือนแตดึกจึกเตือนดึชีวิตเราต้องไม่ถึงล้าแต่ด้วย พมหรือดอกกุหลาบหรือดอกไม้้โลกนี้มันขรุขะงักจะมีปัญญาตบ้างกวัตถวอาการบ้างรูปรสเก่งเฉียงบ้างสัมผัสอารมณ์บ้างขึ้นของชีวิตผูปูแผล บ, ผบัดให้มันลาบลงฝึกหัดให้มันเรียบลง จนม่เหมืคลื่นในชีวิตเพราะมีสติรู้แล้วรูปสักว่ารูปเวทนาสักว่าเวทนากายสักว่ากายาวัชิศบุคคลตัวตนโราขอเรื่องของกายก็จะเรียบลงสุขทุกข์ก็วัชิศบุคคลตัวตนเราเขาจักแต่ว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมา สักแต่ว่าเรียบแล้วความคิดที่มันป <c> ล <oughs> อยเกิดปุงเกิดแตง่งก็สักแตว่ว่าเกิดว่าเช้สัตว์บุคคลตัวตนลราเขาถนความพอใจและความไม่พอใจออกมาลาบของเราถ้าเอามาเป็นตัวเป็นตนก็ขูกขับสุขคือเราทุกข์คือเรา ลักคือเราความพอใจคือเราความไม่พอใจคือเราเราก็เคยชินห่างนี้มาเวลาเรามาปฏิบัติบุกเปิกที่แรกประตูแรกด่านแรกถอนตัวนี้ทันทีเลยเหมือนกระถางป่าถางพงเราจะปลูกข้าวตรงถางป่าทําไรทํานาต้องถางป่าป่าคืออวิชชาไห่ลู่หวงไม่ลู่พง ไ, ไม่มีสติ ไม่มีดวงตาภายในนี่แต่วิชาปิดบังออกลับตาเห็นลูกก็พอใจไม่พอใจนั่นอวิชาแล้วหูได้ยินเสียงก็พอใจไม่พอใจนั่นแหละอวิชาเห็นป่าแล้วถ้ามีป่าโลกนี้ก็มีอันตราย หูทียินเสียงเะมอกได้กลินทในรถกายสัมผัส ใ, ใจคิดก็เกิดความพอใจไม่พอใจอยู่ในดงในป่าอย่างนี้ก <c oughs> ็ไม่รู้จักทิศทางก็ไม่มีทางเดินอยู่ในป่าอะไรเกิดขึ้นกับพอใจบ้างไม่พอใจบ้างคนเดินอยู่ในป่าในพงในดงในเขา หลงอยู่ดังนั้นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่หลงเราก็ยังหลงอยู่สิ่ทุ่คนดืนเราไม่ทุกเราก็ยังทุกอยู่เพราะตัวเองหลงไม่เหมือนกันเพราะไม่ฝึกตนสอนตน <c oughs> จะมาหลงพื้นที่มีสติหัดมีสติไปในกายเสียก่อนเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจ ดูแลกายใจดูแลกายให้คุ้มดูแลใจให้คุ้มมาอยู่ในความปลอดไปเป็นธรรมถ้าควาเป็นธรมรมต่อกายต่อใจเราจะปล่อยกายปล่อยใจให้เป็นทุกข์เป็นโทษไม่รับค ว, วามเป็นธรรมตลอดพบตลอดชาติถ้าเราไม่รู้เราจึงจำเป็นมาก มาปฏิบัติธรรมคือมาช่วยกายช่วยใจให้ไม่มีพิษมีภยัยจนไม่มีภยัยที่เกิดกับกายกับใจหรยกว่าพระอริยะบุคคลพระอริยเจ้าหรือว่าอริยชนผูุ้กายจะข่าศึกอันนี้ไม่ควรประมาทเพราะชีวิตเราไปเรื่อยแล้ว ไหลไปเรื่อยแล้วนาทีหนึ่งก็ไหลไปแล้ววินาทีหนึ่งก็ไหลไปแล้วทําอะไรวันเคลือนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่เดินอยู่ในพงในป่าหรือเรียนหนทางเป็นมิตภาพราบเรียบเราจึงประมาทได้หลังขางก็เสื่อมไป มันเป็นอย่างนั้นการเวลามาเกินกินสัพจริงลืินกับทั้งชีวิตเราเกินกับทั้งตัวมันเองมันไม่ไปเฉยๆมันเอาชีวิตเราไปด้วยเหมือนไปจะฆ่าจงโคเข้าโจตะแลงแจงเพื่อปะหาร โงก้าไปเท่าไหร่ก็ใกล้ความตายเข้าไปเท่านั้นวันคืนผ่านไปเท่าไหร่ก็ใกล้ความตายเท่านั้นเกิเจ็บเจบตายเท่านั้นเราทําอะไรมีอะไรที่เราได้ชวนจกิดได้ลับจากชีวิตของเราเนี่ยที่มันดีที่ประเสริฐที่สุดคืออะไรเราก็ ชูธงขึ้นแล้วเราทาวัดเช่าทาประเยน็นทูชูธงใชยวราตตาตายขึ้นแล้วเป็นอย่างไรประกาศสบัดธงใช้ยอยู่ตลอดเวลามาทางนี้มาทางนี้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ว่าทาเป็นคำสอน ของขพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติได้ให้ผลได้ผู้ศึกษาปฏิบัติพึงทำโดยตนเองเท่านั้นทำแทนกันไม่ได้ผู้ปฏิบัติยอมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรทุกคนเห็นตามทุกควรเจรผู้ปฏิบัติเป็นปัจจัตังโดยสมผัติทำเป็นหวันหลง เปลี่ยนหลงไปไม่หลงเป็นมันทุกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเป็นมันโกรธเปลี่ยนโกรธไปไม่โกรธเป็นจำเป็นแล้วไม่ใช่เรียนรู้ใครๆก็เรียนรู้ได้เราก็ผ่านห้องเรียนมาแล้ว <c oughs> อันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่สนุกผ่านการตรอจ้อม า, าบ้ากแล้วรู้แล้ว อะไรก็รู้ดีรู้ชั่วว่าความทุกข์ไม่ดีความโกรธไม่ดีก็ยังโกรธอยู่ยังทุกข์อยู่เพราะไม่หัดอันทวนรู้มันใช่ไม่ได้ต้องมาหัดซึ่งหน้าในข่าวเดียวกันเช่นมันหลงเราไม่สติก็เปลียนหลงเป็นรู้อย่างเนี้หัดอย่างนี้บรรทุกเปลี่ยนมีสติก็เปี่ยนทุกเป็นไม่ทุกอย่างเนี้มันทําได้อย่างเนี้ย ปฏิบัติได้อย่างเนี้ยเจ้าอย่างไงเราเป็นาผิดของใครไปโทษใครใครจะช่วยหรือไม่ช่วยพยวีเจ้าคงช่วยไม่ได้ปฏิบัติด้วยตนเองถ้าหลงเองเราต้องรู้เองย <c oughs> ุกเองก็ต้องไม่ทุกเองมีปัญหาต้องมีปัญญาเองหาปัญญาที่เห็นไม่ไม่พบ หาปัญญาต้องหาจากปัญหาหาควา ม, มทุกข์ต้องหาจากความทุกข์ตรงกันข้ามานั่นเองแล้วก็เวลาเราปฏิบัติจะเจอเรื่อง น, นี้ทรรทีเพามีสติเหมือนต่างตาต้องเห็นดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจเหมันคิดมีสติเป็นกาอยู่เป็นประจํา มีความเพียรขยันลู่เอาไว้ในเวลามีความเพียรขยันลู่อยู่เป็นเจ้าถิ่นอยู่อะไรจอนมาก็ลู่ออกรับเพราะมีเจ้าของอยู่เหมือนกับเฝ้าประตูอยู่แล้วควรจะเข้าประตูมาก็อะไรคืออะไรต้องลู่จัด คนพานอย่างใดบัณฑิตอย่างไรอะไรมันจริงความหลงจริงไหมความไม่หลงจริงไหมตอบได้เองความทุกข์จริงไหมความไม่ทุกข์จริงไหมความหลงเป็นธรรมไหมความไม่หลงเป็นธรรมไหมความทุกข์เป็นธรรมไหมความไม่ทุกข์เป็นธรรมไหมเนี่ยมาตอบอย่างนี้มาประสบการณ์อย่างนี้บทเรียนอย่างนี้แล้ว่าปฏิบัติธรรมต่อมเป็นธรรมเป็นธรรมเป็น ลงที่ใดรู้ที่นั่นทุกที่ไหนรู้ที่นั่นเอารู้จันไม่เสีย จ, จะว่ายังไรเลยเพรนั้นคนทำงานมันต้องมีความสำเร็จํำนาแปลงใหญ่แปยงปัดลงที่ตะต้นละต้นละต้ น, ต น, ตนข้าวเป็นเหมือนเป็นแสนเป็นล้านก่เอเกิดขึ้นทั่วทุ่ง ออกหลวงออกขนเราปลูกสติลงไปในกายในใจมันเป็นมากเป็นผลโตข้าวลงแผ่นดินมันก็เป็นเม็ดข้าว <c oughs> เอาใจเป็นเลือดเป็นเนื้ อ, เ ป, เ, อเป็นกําลังแต่ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายมียงเงินมีทองก็ช่วยมาได้คองเถก่ความเก็บความตายในบ้านหลังดีๆมีลูกผัวเมียดีๆ เพื่อนดีเงินดีก็ยังเจยังเจ็บ ย, ยังตายอะไรคือจริงต้องมาเจอเรื่องนี้พระศิท ธ, ธิ์เจ้าเจ้าพชายคว่าทุกข์ไม่เคยมีแต่ยังมาคิดเรื่องนี้เป็นโจทย์ตัวย่อยสอามก่ความเจ็บความตายนี่ไม่มีใครตอบได้ พระเจ้าปู่พระเจ้ายา่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายไม่เครตอบตายเพระไปเห็ น, นเวลาเจ็บก็ร้องงงร้องไห้เวลาตายก็ล้องงงร้องไห้เอาประทุกเราจะลุกเต้นอย่างนี้หรือแน่นอนที่จุดปฏิเสธไม่ได้เกิดมาก็ออกความตายมาด้วยเกิดมาก็ความแก่มาด้วยเกิดมาก็เอาความเจ็บมาด้วย เกิดมาก็มาเที่ยงทุกคนเปิดเกิดมาก็เป็นทุกข์แ <c oughs> <c oughs> ม้แต่รูปก็เป็นทุกข์หอยเจ๋เข้าหายเจอกนีก็เป็นทุกข์ต้องกินต้องนอนต้องขับต้องถ่ายแต่ไม่กินไม่นอนไม่ขับไม่ถ่ายก็เป็นทุกข์จนมีวิชาเรื่องนี้เรื่องหมอสนสุษก การแพทย์เพื่อจะช่วยเหลือบันเทาเราก็ี่มีทุกโกรกภัยเข้เจ็บแม้แต่ตัวเรานี่ก็เคยถูกหมอช่วยจึงรอดมาแต่ยังจะตายอยู่เ็เจ็บมากก็หายไปแล้วหายจจไม่ได้ก็หายไปแล้ว <c oughs> ตายไปแล้วก็ยังขึ้นมาได้ก็มีวิชาเรียนดูของคนอื่นก็แม่ส่งลูกหญิงลูกชายไปเรียนการแพทย์เรียนหมอโอปัญญาว่าช่วยเราแล้วก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็รอดได้เราเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้ร้อยร้ยอย่ยง จะต้องช่วยที่เป็นปรูปธรรมด่จนความแป่ความเป็เปียบความตายมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่ช่วยตัวเองจนความเจ็บความโรคภัยนั้นว่าเอือนช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างโรคบังอยาลักษะหายโรกบังอยารักษาไม่หายโรคบังอย่างไม่รักษาก็าหาย โลกบางอย่างต้องรักษาจึงจะหายถ้าเป็นอย่าง น, านั้นยังขอเพิ่งพาสายเจอที่สนสุกเนี่ยเป็นผู้จับกรำบังเหียนชีวิตของคนในโลกเพราะชาวสุนีมีการปฏิบัติจะได้จะได้เป็นบุญเพิ่มอีกมหาศาล เ่ยตาก็นาลงไปมีสติลงไปให้ชัดเกียนแม่นยำการใช้ชีวิตกับการงานไม่กระจุยกระจายจะเห็นหมอมีสมาธิหมอหลงภยลวานไม่เคยเห็นเดินเฉยเฉยจจ้านรืว่าเราเดินไวก็ยังไม่ทันเลย พิ่งจับจับจัับมา้ไหวมากเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยหน้าตาก็เรียบร้อยเห็นหน้าหมอออกดีใจหายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะมีคนพึ่งมากมากเวลาเจ็บไข้ตดยป่วยเห็นหน้าหม อ, อนขนตกขนใจ บางทีได้ยินคำพูดของหมอโลกกนเนื้อโตเร็วในลำคอนี่รักษาได้ให้กีโ ม, โมตัวใหม่ลงไปรักษาได้ก้าพจจะระเจ้าปฏิเสธวิธีการรักษาอื่นใดเท่านั้นนอกจากให้กีโ ม, โมเท่านั้นที่จะรักษาหายได้ ว่ า, อ ย, า, ว า, ว า, ายอย่างนี้แน่วแน่มิชาแนวแน่ทำไมหายจริงๆนะเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเราแต่เราต้องมาช่วยตัวเราตอนเก็บเป็นยังไงเป็นทุกความเก็บเลยจะเก็บทุกประความเก็บปา จ, จ่า เ ย, ยายาะาญาติก็เรามีธรรมเรเห็นเหมือนเก็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บคนละเรื่องกับพิบิตความเป็นจริงความเก็บเป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดกับลูกอาวะที่สติปัญญาเห็นความเก็บเนี่ยมันสาคัญมันเสริมครับเลยเห็นเหมือนเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บสนุกเก็บ เมื่อย่ากนี้ในหะัวใจในะความรู้สึกอาจจะไม่ตายเพราะความตายมันตายไปแล้วหายใจไม่ได้เราก็มาต้องตายเพราะความตายหายใจไม่ได้คงต้องหายไม่ละใจนี่ชีวิตเราไม่ต้องอาศัยมันละลมหายใจนี่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี่เออจะอยู่เฉยๆนี่เหละอยู่ได้เล้วอยู่ได้ก็ตายไปเลยไม่เห็นทุกขตรงไหอย รู้ก็เกอื้นมาหมอเอาเ้นมาเอาท่าอสอดเข้าไปปากงานเท่าไหรไม่รู้ว่าเก็บเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์เก็บเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ตายเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ป็นจยางนี้ปฏิบัติธรรมทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเพียงแต่คิดก็เป็นทุกข์ ให้ความคิดพาเป็นสุขเป็นทุกข์เอาคิดไปห้อยไปจานไว้กับความคิดชิดขึ้นมานอนไม่หลับไม่อยากคิดก็คิดมันเป็นอย่างนั้นความคิดเนี่ยเป็นอย่านัางทีแม่น่าจะคิดก็คิดชิดได้ทุกอย่างจิตใจนี่ใช่จะเป็นเสัาปะลุบเบิดเละทั่ทั้งบนเลย ความโกรธก่คิดถ้าโกรธได้โกรธเราใส่ใจดีดีความทุกข์ก่คิดเขาว่ากันเราเขาว่ากันเราว่าไวคิดใส่ใจดีแต่ความดีมีแยแยไม่ค่อยใส่ใจแล้วก็หลงไปกับเจริงเรานี่มากมายจ้องจะเป็นตรงเวกตอนสอนตอนตืนตัวดึกสึกแตนหนุ่ม สอนนะโรจีเราอยู่กับเราไหมนั่งอยู่เนี่ยเดินอยู่เนี่ยยกมือสรางจังหวอยู่เนี่ยมันรู้อยู่นี่ไหมหรือมันแกล้งไปตัวอื่นไปหาคนลักไปหาคนจังกลับมาลู่เนี่ยได้สอนว่าศิษย์าอาจจะคิดมากกว่าเราเร <c oughs> าพงนั่งอยใตต้นโพ ขนตกก็เปียกแดดดอกก็ถูกโยงไหลไต่มาก็กาัดเอาเคยอยู่ในปัสสาทะสามระดูอาจจะคิดถึงปรสสาวะสามระดูแล้วกลับมาเวลานี้เราไปนั่งคิดถึงปรสสาวะเราจะมานั่งบำเพ็ญโอทิยานให้รู้จักตัวนี้กลับมาก็กลายเป็นความรู้คิดถึงเราขนกลับมาเป็นความรู้ คิดถึงเปลียนตากลับมาเป็นความรู้คือถึงเส้าถนมกำนานไหนกลับมาเป็นความรู้อา้าวคิดอะไรกลับมาเป็นความรู้มาลงอยู่ที่ความรู้จักตัวเนี่ยทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ลงที่เลยรู้ที่นั่นอะไรเกิดขึ้นกับรู้รู้ไปอย่างน้รปฏิบัติ ท, ทําอย่างนี้สอนตัวเองอย่างนี้ทําไมสอนตรงนี้นียไปไม่รอด มันจะเพิ่มขึ้นเปิดเพื่อนเพิ่ ม, มขึ้นกลายไปจเจริญมิตรใสหล่อคาจริตคิดแต่เรื่อง ก, กิเลสตัญหาโทสเจริญที่จะเรื่องโกรธเรื่องพอใจไม่พอใจโมหะจริตที่จะเรื่องหลงออกหน้าออกตาเป็นเจ้าของกายไปเจ้าของใจเจอแล้วความหลง ความกดเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจความทุกข์เป็นเจ้าของกายเจ้าของใจเราเจ้าทุกข์เราดูมทุกข์พิพากษาตัวเองให้มันพ้นจากโจทย์พวกนี้เราเป็นจำเลยของความซึ่งเรานี้ความหลงเมื่อใดก็หลงเมื่อนั่นเป็นจำเลยความหลงไปเสียแล้ว เวลาโกรธทีละโกรธทีนั่นเป็นจำเลยความโกรธไปแล้วความโกรธมาใช่รูปใช้นามล้วแล้วเรามาทุกข์ก็ทุกข์ไปเจอแล้วความทุกข์มาเป็นโจทย์เราเป็นจำเลยของความทุกข์เราเป็นหลาอคาจลิตโทจลิตโมหะจลิตก็ทําให้ดวงเดือดร้อนคนเดือดร้อน อันนี้ก็พูดให้ฟังมันเป็นอย่างนี้งานของเราเป็นอย่างนี้เจ้าจำเป็นไหมหรือว่าไม่จำเป็นหรือจะเป็นนอนอยู่ก็ได้ไม่ว่าไม่บังคับแต่ถ้าอยากศึกษาเนี้ก็ขยันรู้และภาวนาวินาทีละรู้ลองดูผู้ฉันเข้าเยอะฉันดอกแต่รู้ เฮยหลับอยู่เวลาพูดตังนี้ก็พากันหลับอยู่ไม่ตื่นหรือสอนตัเงซิเธอมันหลับอ่ อ, อนลก็เช่มแฉ็งยืดตัวขึ้นหนอยจติตเด็กวางใบหน้าเป่งเลือดออกทางหน้าตาให้มันเบิกบานแล้วมันง่วงันก็หลับตาปีหาว่าปากอ่ อ, อนเยอะไปเลยแล้วก็ไม่ได้ฝื้นตัง ออกครืให้ตืน่นอยางตาก็ไม่มีเสียงแล้วสมควรใช้เวลานะจาบภา พ, พก่น